สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอย่ล้อเล่นกับเวรกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่ฟังมาจากยายอีกทีหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องจริงที่หมู่บ้านเราคนข้างจะเชื่อเรื่องนี้เรื่องมีอยู่ว่าวัดในหมู่บ้านเราเป็นวัดป่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีเรื่องลี้ลับมากมายแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่เป็นที่เรื่องลรือกันจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือเปลดอกใยแสงในวัดนั้นจะมีต้นตาลอายุหลายสิบปีที่เก่าแก่มากมาอยู่หลายต้นแต่จะมีอยู่ต้นหนึ่งที่มีเครื่องเส้นไหว้เต็มไปหมดแม่เล่าให้ฟังว่าใ ย, ยแสงแกเป็นคนที่ขี้เหนียวมากชนิดที่ว่าแค่ต้นหญาอยู่ในรั้วบ้านแกก็ยังหวงอันนี้จากปากแม่จริงๆ แกเป็นคนค่อนข้างมีฐานะในสมัยนั้นเพราะบ้านแกเป็นบ้านหลังแรกที่มีโทรทัศน์หรือสมัยนั้นแม่บอกว่าเขาเรียกว่าวิทยุภาพแกหวงของแกมากไม่เคยแบ่งปันให้ใครได้ดูด้วยเลยหวงของทุกอย่างน้ำก็ไม่ให้กินแกอยู่คนเดียวเพราะผัวแกพึ่งตายไปไม่นานแม่บอกว่าขนาดผัวแกตาย แกยังไม่มีบุพระมาเลยแกบอกว่าเปลืองตอนนั้นเราฟังก็คิดในใจว่ามีคนแบบนี้จริงๆหรือแกไม่ยอมทำบุญทาทานคิดว่าการทำบุญไม่จำเป็นแกด่าทุกคนคนแก่พระเด็กหมาด่าหมดออกแนวยายปลิกเรื่องหลวงพี่ผีขนุนนั่นแหละแต่แกหนักกว่านั้นเยอะ วันหนึ่งแกคงอยากกินขนมตาลแกก็เลยไปหาลูกตาลมาทำขนมแต่ไม่รู้แกคิดอะไรอยู่มุ่งหน้าไปที่วัดตอนนั้นต้นตาลยังคงไม่สูงมากแกเอาไม้สอยเลยมีสนใจว่าพระจะยืนกวาดลานวัดอยู่พอได้สมใจแล้วแกก็กลับบ้านหน้าตาเฉยที่รู้เพราะตอนนั้นเป็นวันที่ชาวบ้าน จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดกันสมัยยายสาวๆก็ไปชาวบ้านเห็นกันหมดก็พูดอะไรไม่ได้คงเอื้อมระอากันทั้งๆที่ทุกคนรู้ว่าแกทำขนมตาลแต่ไม่เคยมีใครได้กินเลยมีคนบอกให้แกเอาไปถวายวัดบ้างเพราะเอาลูกตาลมาจากวัดแกด่ากลาดเลยหลบกันแทบไม่ทัน แต่อยู่มาไม่นานแกก็เกิดล้มป่วยไม่มีใครรู้ว่าแกป่วยเพราะอะไรป้าของยายเราเข้าไปดูใจก็กลัวแกจะไล่กระเจิงออกมาแต่ยังไงก็เป็นเพื่อนบ้านกันเมื่อเข้าไปดูสภาพที่เห็นก็คือยายแสงนอนโซ ม, มากเหมือนไม่ได้กินข้าวแกเห็นป้าของยายขอแทนว่ายายบุญแกบอกว่าหิวน้ำ เอาน้ำให้แกกินหน่อยใย่บุญเลยไปตักน้ำมาให้ใย่บุญมาเล่าให้ยายฟังทีหลังว่าในครัวยายแสงมีของกินเต็มไปหมดมีทุกอย่างหลังจากที่ตักน้ำมาเย่บุญก็ค่อยคอยไปยุ่งยายแสงขึ้นเพื่อจะให้กินน้ำยายแสงกินเข้าไปได้อึกเดียวก็บ่วนทิ้งด่ยาเยบุญอีกว่าเอาแกลบมาให้กิน ยายบุญก็งงว่าในมือก็ถือขันน้ำอยู่แท้ๆทำไมถึงว่าเอากแกลบมาให้กินยายแสงไล่ยายบุญออกจากบ้านทันทีแถมยังพูดตามหลังว่าอย่าขโมยของของกูไปล่ะกูจับได้จะเอาตายแน่ๆได้ยินแบบนั้นด้วยความโมโหยายบุญเลยพูดกลับไปว่าจะตายหาอยู่แล้วยังไม่เลิกหวงของอีก ทำบุญบ้างเถอะยายแสงตายไปเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินหรอกยายแสงตอบทันทีว่าตายไปของกินกูก็มีเยอะแยะทำทำไมบุญทานทำไปก็ไม่ถึงกูหรอกพระกินหมดยายบุญโมโหเลยพูดไปว่าขี้กลากจะกินปากตายไปเดี๋ยวก็เป็นเปรตยายแสงตอบกลับมาว่าเออ กูไม่กลัวหรอกตายไปกูจะเป็นเปรตอยู่ที่วัดนั่นแหละคอยขวางพวกมึงออกไปยายบุญรีบออกจากบ้านทันทีมาที่บ้านยายของเราแล้วเล่าให้ฟังยายบุญยังพูดต่อหน้าว่าแหมฉันละโมโหจริงๆอุตส่าห์เข้าไปดูแท้ๆคอยดูเถอะมันตายไปไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรอกหลังจากนั้นไม่กี่วัน ก็ไม่มีใครเห็นยายแสงอีกเลยจนชาวบ้านสงสัยเลยไปดูที่บ้านแค่เข้าไปในบริเวณบ้านกลิ่นเหม็นคุ้งเลยพอเข้าไปในตัวบ้านก็ไม่เจอยายแสงจึงเดินตามหากันทั่วบ้านจนไปเจอยายแสงนอนตายในห้องครัวเมื่อเห็นแบบนั้นก็รีบตามสับเป ล, เลอมาเอาศพยายแสงไปทำพิธี เมื่อสัปะเลเอมาถึงก็ทําพิธีหลายขั้นตอนตอนที่มัดตราสังก็ปกติทุกอย่างแต่ตอนที่จะเคลื่อนศพออกจากบ้านมือที่มัดตราสังไว้เกิดหลุดจึงได้ทำการมัดใหม่เป็นแบบนี้อยู่ประมาณสามรอบจนสับปะเลเรคงทนไม่ไหวเลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่จะเผาอยู่นี่แหละเผาทั้งบ้านนี่แหละพูดจบ กลิ่นก็มาเลยจากที่เหม็นแล้วคราวนี้เหม็นหนักกว่าเดิมจนชาวบ้านที่ยกศพทนไม่ไหววางศพแล้ววิ่งออกไปอ้วกกันเลยสั ป, ปเหร่จึงไปเชิญหลวงพ่อที่วัดให้มาช่วยนำศพออกจากบ้านหลวงพ่อมาถึงก็สวดบทอะไรสักอย่างแล้วพูดส่งท้ายว่าอัตมาช่วยได้แค่นี้นะโยมแสงต่อไป คงแล้วแต่เวรแต่กรรมที่สร้างมานะแล้วชาวบ้านก็เอาศพออกจากบ้านได้ปกติเมื่อไปถึงวัดก็จัดทำพิธีทําศพแบบตามมีตามเกิดเพราะสมบัติแกมีเยอะแต่ไม่เคยแบ่งปันให้ใครแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าแกเอาไปไว้ที่ไหนเพราะให้คนในหมู่บ้านไปดูที่บ้านก็ไม่เจอของมีค่าอะไรเลย งานศพจัดยังไงอันนี้ไม่ทราบเพราะแม่ไม่ได้เล่าถึงรายละเอียดตรงนั้นรู้แค่ว่าวันที่เผาศพสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเผาแบบเชิงตะกอนตอนที่ไฟกำลังไหม้ร่างใหญ่แสงอยู่ดีๆชาวบ้านได้ยินเสียงคนกรีดร้องขึ้นมายายเล่าให้แม่ฟังว่าได้ยินกันทั้งหมู่บ้านขนาดยายนั่งอยู่ที่บ้านยังได้ยิน เป็นเสียงกรีดร้องที่แหลมมากเหมือนทอรมานดังอยู่ประมาณสามสี่ครั้งแล้วก็เงียบไปแต่ตกตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงแบบนี้อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะบริเวณวัดจะได้ยินเสียงชัดเจนมากชาวบ้านต่างพากันกลัวเลยไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเลยบอกว่านี่แหละโยมผลกรรมของการทำไม่ดี คิดไม่ดีตอนนี้โยมแสงได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อแล้วหลวงพ่อพูดขึ้นมาแบบนี้ชาวบ้านยิ่งกลัวกันใหญ่เพราะปกติยายแสงแกเป็นคนที่น่ากลัวอยู่แล้วนี่ตายไปแล้วจะยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ยายเล่า ว, ว่าตอนนั้นไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยจากปกติเคยไปไร่ไปนา กลับมืดมืดำํคำคเดี๋ยวนี้พระาทิตยังไม่ตกดินก็กลับบ้านแล้วเพราะมีชาวบ้านคนหนึ่งไปนอนที่กระท่อมนาซึ่งนาของเขาติดกับวัดและกระท่อมก็อยู่ไม่ไกลจากวัดมากนักระหว่างที่กำลังนอนอยู่รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวเพราะมันสะเทือนเลยลืมตาดูเป็นขาเหียเห่ยวเียวดำดำ ใหญ่ก้าวข้ามกระท่อมนาแล้วเดินไปตาคนนั้นตกใจมากนั่งสวดมนต์อยู่ในกระท่อมนาเพราะคิดว่าโดนแน่ๆสักพักเสียงก็เงียบไปแต่พอลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละเห็นใบหน้าใหญ่ดำเหี่ยวย่นมีกลิ่นเหม็นก้มลงมาจ้องหน้าเขาอยู่คิดภาพคนตัวสูง ก้มมองอะไรเล็กๆประมาณนั้นเลยเขาสติแตกวิ่งร้องตะโกนจากนามาในหมู่บ้านว่าเปลดยายแสงเล่นกูแล้วเปลดยายแสงหลอกกูแล้วระหว่างนั้นหันไปมองว่าจะตามมาไห้เห็นยายแสงเดินหายเข้าไปในต้นตาลที่วัดแค่นั้นแหละวิ่งไม่คิดชีวิตเลยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นยิงทาให้ชาวบ้านกลัวกันเข้าไปใหญ่ ตาคนนั้นไม่สบายถ้าจำไม่ผิดสมัยนั้นน่าจะเรียกว่าจับไข้หัวโขนและมีอีกหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันคือเห็นยายแสงเดินเข้าไปในต้นตาลจึงมีการนำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ที่ต้นตาล น, นั้นเวลาผ่านไปเรื่องของเปลิดยายแสงเริ่มซาลงจนกระทั่งวันหนึ่งแม่เล่าให้ฟังว่าเป็นวันอาสาฬหาบูชา ทุกคนก็ไปเวียนเทียนที่วัดกันปกติผู้ชายคนหนึง่งตอนนั้นอายุประมาณ 17-18 มาจากกรุงเทพแม่ได้ยินเขาพูดกับเพื่อนในหมู่บ้านว่าเฮ้ยพวกเองอยากเจอเปรตไหมข้ามีวิธีเขาเอาข้าต้มมัดจากถุงเอาผูกเชือกไว้ที่เอวและพูดต่อว่าข้ารู้มาว่าถ้าเราทำแบบนี้ แล้ววิ่งรอบโบทสวนทางกับคนกำลังเวียนเทียนเราจะเห็นผีเปเลตมันจะมาเอาข้าวต้มเราเอ้งอยากเห็นไหมทุกคนในหมู่บ้านนั้นต่างเคยได้ยินประวัติของเปเลตที่วัดแห่งนี้มาทั้งนั้นเลยไม่มีใครกล้าแต่เด็กผู้ชายคนนั้นก็ไม่หยุดพูดต่ออีกว่าโทรให้พวกปอดแหกข้าจะทำให้ดูระหว่างที่แม่กับยาย และชาวบ้านกำลังเวียนเทียนอยู่ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งรอบโบสถ์เลยวิ่งสวนทางแม่เราไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนร้องแม่บอกว่าเสียงหลงเลยแล้ววิ่งรอบวัดเหมือนหาทางออกไม่เจอวิ่งวนอยู่ในวัดชาวบ้านพากันวิ่งไปจับตัวเพื่อจะถามว่าเป็นอะไรเมื่อจับตัวเขาไว้ได้แล้วเขาก็พูดประโยคเดียวเลย ว่า ก, กลัวแล้วกลัวแล้วแม่กับยายมองหน้ากันแล้วก็เดินกลับบ้านเลยรุ่งเช้าก็ไปทําบุญที่วัดกันปกติในศาลาวัดชาวบ้านก็พูดถึงเรื่องเมื่อคืนกันไม่หยุดปากยายของผู้ชายคนนั้นเล่าให้ฟังว่าหลานฉันมันบอกว่าตอนที่วิ่งเสร็จมันไปยืนอยู่หน้าโบสมันเห็นคนตัวสูงสูงก้มหน้ามาแล้วส่งเสียงร้องหวีดใส่หน้ามัน แล้วมันก็เริ่มวิ่งแต่วิ่งไปทางไหนก็เจอคนตัวสูงใหญ่ก้มหน้ามาแล้วร้องหวีดใส่ตลอดและผู้ชายคนนั้นเหมือนคนเสียสติไปเลยจะหวาดระแวงทุกครั้งเวลาเดินผ่านวัดหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าลองดีอีกเลยโดยความที่เราสงสัยเลยถามแม่กลับไปว่าเล้วบ้านใดแสงล่ะแม่ใครอยู่แม่บอกว่า ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับบ้านใายแสงเลยแค่เข้าไปใกล้ๆนะหมินคุ้งไปหมดแต่ปัจจุบันบ้านใาแสงยังมีอยู่เป็นบ้านไม้ที่สภาพก่าไปตามกาลเวลามีป่ารกทึบขึ้นแทบมองไม่เห็นตัวบ้านเลยอยู่ท้ายหมู่บ้านเราแต่มีทางลึกเข้าไปอีกมีคนสัญจรไปมาเพราะเรื่องนานมาแล้วเลยไม่มีคนคิดอะไร แต่ปัจจุบันต้นตาลต้นนั้นยังคงอยู่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานมีการบูรณะวัดมานักต่อ น, นักแต่สิ่งที่ยังอยู่ที่เดิมและยังคงเดิมก็คือต้นตาลที่ที่เป็นที่อยู่ของเปรตใจยแสงและเราเชื่อว่าใจแสงก็ยังคงชดใช้เวรกรรมอยู่อย่างนั้นดังที่เคยพูดไว้ว่ากูไม่กลัวหรอกตายไปกูจะเป็นเปรตอยู่ที่วัดนั่นแหละคอยขวางพวกมึง